ขอเสนอขอบมกเกียรติทุกท่านซึ่งในที่ประชุมนี้มีนายแพทย์พิสิทธ์ศรีประเสริฐประธ า, าคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงสาธาณสุขเป็นต้นเป็นประธานอาตมาภาพขอโนโมนาที่ท่านทั้งหลายได้ ให้ความสนใจในเรื่องของจิตอาสาโดยเฉพาะในเรื่องของคุ ณ, คณธรรมที่นําสู่การทํา ง, งานด้านจิตอาสาเพราะเหตุที่ว่างานของกระทรวงสาธารณสุขเองนั้นเป็นเรื่องของการให้การบริการแก่สังคมเป็นการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไปซึ่งถ้าเราทำด้วยจิตอาสาเราก็จะทำงานได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นและมีความสุขมากขึ้นเราอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ความสุขแก่คนอื่น เราก็ืจะต้องมีความสุขด้วยการทำงานด้วยจิตอาสาเป็นการสร้างความสุขให้กับตนเองแต่จิตอาสานั้นต้องเป็นเรื่องที่มาจากคุณสมบัติที่ดีภายในจิตใจที่เราเรียกกันว่าคุณธรรมและถ้าสังคมส่วนรวมมีคุณธรรมอันเป็นจิตอาสานั้น ก็จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนเป็นประเด็นที่อาณาจะได้นำเสนอในการประชุมวันนี้เรื่องแรกก็คือคำจกัดความว่าอาสาหมายถึงอะไรตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าอาสาหมายถึงเสนอตัว เข้ารับรรมเสนอตัวเข้ารับรมด้วยความเต็มใจไม่มีการบังคับฝืนใจนั่นคือเรื่องอาสาแล้วก็มักจะเสนอตัวเข้าไปทำเราจึงมักจะใช้คำคู่กับว่าสมัครสมัครก็คือเราเสนอตัวเหมือนกับทหารเกณฑ์กับทหารที่สมัครเข้าไป ก็ผู้สมัครก็คือเสนอตัวอาสาสมัครจึงใช้ในความหมายของโวลังเทียคือผู้ที่สมรึกเสนอตัวเข้ารับทำงานสาธารณะัในการที่เรามีจิตอาสาก็คือเราสมัครใจทำงานเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนและสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งใดพอมานึกถึงผลตอบแทนเนี่ยเรามักจะไม่คยมีคุณธรรมของจิตอาสาเราถือว่าเราทำเพื่อผลประโยชน์แต่ถ้าเราทำงานเพื่อประโยชน์สุขด้วยความเต็มใจผลประโยชน์มาภายหลังได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องทีหลัง เราอยู่ในขอบเขตของอาสาสมัครเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเรามุ่งประโยชน์สุขของผู้อื่นเป็นที่ตั้งเนี่ยโดยไม่ได้หวังว่าผลที่ตอบแทนจะเป็นแรงจูงใจสำคัญในการทำงานของเรานั่นเป็นเรื่องมาทีหลังแต่ถ้าเราทำด้วยมุ่งประโยชน์สุขของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง ด้วยความเต็มใจด้วยความเมตตาความรักกรุณาความสงสารเราอยู่ในฐานะอาสาอาสาสมัครนั่นเองประโยชน์จะมีสามส่วนด้วยกันประโยชน์ส่วนตัวของเราอัตถะถ้าเราเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งไม่ไม่เรียกว่าอาสาสมัคร เราจะขยันทำงานสักขนาดไหนเอาผลประโยชน์ตอบแทนเงินเดือนเป็นที่ตั้งไม่เรียกอาสาสมัครแต่ถ้าเรามุ่งประโยชน์ของคนอื่นเป็นที่ตั้งไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยเรื่องประโยชน์ส่วนตนเราก็อยู่ในข่ายของอาสาสมัครดีที่สุดก็คืออุปยัดถ่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์คนอื่นก็ได้ทำให้เป็นประโยชน์ส่วนรวมถ้าเราทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นข้าราชการหรือเป็นเอกชนคนทั่วไปแต่นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งสำคัญกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยซ้กเราก็เป็น ผู้มีจิตอาสาลักษณะของจิตอาสาจึงมีอยู่สี่ประการใครที่ไปทำงานเพื่อจิตอาสาอย่างสมบูรณ์จะมีลักษณะทางจิตเนี่ยสี่ประการหนึ่งเขาสมัครเข้าไปร่วมทันกิจกรรมนั้นอาสาเข้าไป เสนอตัวเข้าไปด้วยสองกิจกรรมนั้นไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตนฝ่ายเดียวแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ประชาชนหรือส่วนรวมโดยทั่วไปประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามข้อที่สามเป็นความสมัครใจเต็มใจไม่มีการบังคับฝืนใจ และข้อที่สี่ไม่หวังผลตอบแทนเป็นหลักถึงจะได้หรือไม่ได้ผลตอบแทนเป็นเงินเป็นเกียรติเป็นการยกย่องหรือรางวัลไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือประโยชน์สุขของคนอื่นที่มุ่งทำด้วยความเต็มใจงานของสาธารณสุขก็เป็นงานที่ทำประโยชน์สุขแก่ประชาชนถ้าเพิ่ม ความเต็มใจในการให้บริการโดยไม่เอาผลตอบแทนเป็นที่ตั้งอย่างที่เป็นหมอชนบทไปแพทย์อาสาอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งท่านทำงานอยู่ในส่วนกลางเนี่ยแต่ถ้าท่านมุ่งประโยชน์สุขทำงานด้วยความเต็มใจเนี่ยท่านก็อยู่ในขอบเขตของจิตอาสาละในเรื่องของจิตอาสานั้นเรานึกถึง พระราชวูวาธิของพระบรมราชชนกในรัชกาลที่เก้าที่มีพระดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาบทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพให้บริสุทธิ์อาชีพแพทย์พยาบาลเนี่ย เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงถือว่างานของท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าทำตามพระดารัสของพระบรมราชชนกในรัชกาลที่๙เนี่ยมันคืองานจิตอาสา น, นั่นเองพิเคราะห์ด้วยโดยที่ไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งประโยชน์ของคนอื่นของพูนมนุษย์เป็นสาคัญไม่ได้หวังผลตอบแทนเพียงแต่เพียงว่ามัน จะมาหาท่านเองไม่ว่าลากทรัพย์และเกียรติยศถ้าท่านทำโดยความบริสุทธิ์ใจตมาจึงกล่าวแต่ต้นว่างานของการสาธารณสุขอยู่บนฐานของจิตอาสาหมายถึงใครที่จะเข้ามาในวิชาชีพนี้ต้องมีจิตเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ด้วยน้ำใจอันนี้ท่านจึงเข้ามาเหมือนมันคัดกรองอยู่แล้วและวิชาชีพมันมันระบุอย่างนั้นถึงจะประสบความสำเร็จพระราชะพระบรมราโชว า, วาดในรัชกาลที่เก้าเรื่องจิตอาสากล่าวถึงอาสาสมัครบร t e e r จะต้องระลึกอยู่เสมอว่าศรัทธาในการอาสาสมัคร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 งานอาสาสมัครมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันรัชกาลที่ 10, สิบก็ทรงส่งเสริมตามแนวแห่งพระบรมราชชนกในรัชกาลที่9ก้ามาถึงรัชกาลที่เก้าและมารัชกาลปัจจุบันรารัชกาลปัจจุบันทรงให้ความสำคัญกับจิตอาสามากและก็อาจจะว่าเป็นแนวนโยบาย แห่งหรือพระราชบณญิฐานของพระองค์ท่านก็คือทำงานด้วยคุณธรรมของจิตอาสาทำด้วยจิตอาสาเราจะเห็นคำหนึ่งก็คือเราทำความดีด้วยหัวใจนั่นคือคุณธรรมของจิตอาสาทำความดีด้วยความเต็มใจไม่มีการ บังคับแต่ว่าเหมือนกับคำพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่หที่แปลมาจากเชกสเปียว่าอันความการุณาปรานีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟ้าฟ้าสุราลัยสู่แดงดินซึ่งก็เป็นคำของท่านทั้งหลายนั่นเอง ด้วยความเต็มใจทีนี้มาพูดถึงตำนานจิตอาสาในพระพุทธศาสนาเพื่อให้เห็นว่ามันมีรากฐานจิตอาสาอยู่ในพุทธศาสนาอย่างไรต้องพูดว่าตำนานเพราะเกิดขึ้นก่อนสมัยพระพุทธเจ้านานก่อนนั้นมากพระพุทธเจ้าตรัสเล่าไว้เป็นตำนานถ้าใครสนใจเรื่องนี้ จะอยู่ในเรื่องประวัติพระอินทร์ว่าทําไมพระอินทร์จึงไปเป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงก่อนนั้นพระอินทร์เกิดเป็นมนุษย์ชื่อมัคคะมานพบุญกุศลใดที่ทําให้มัคคะมานพเนี่ยไปเป็นพระอินทร์ในสวรรค์ชั้นดาวดึง บุญกุศลนั้นคือตำนานจิตอาสาเพราะว่าในสมัยโน้นยังไม่มีพระพุทธศาสนายังไม่มีวัดวาอารามให้ไปทำบุญทำกุศลมาฆ่ามานพทำความดีด้วยจิตอาสาล้ว น, ลวนแล้วไปเกิดในสวรรค์เป็นพระอินทร์จนปัจจบนนุบันเนี้เราเราเรียกท่านว่า ท้าสักกะเทวราชเท้าสักกะเทวราชเราเรียกว่าสหัสไยเพราะฉะนั้นพระอินทร์แม้ไปอยู่บนสวรรค์เนี่ยยังมีจิตอาสาเวลาอยู่บนสวรรค์เนี่ยเราอ่าน เ, าเรื่องราวในวรรณคดีจะเห็นว่าเวลามนุษย์คนไหนทําความดีเดือดร้อนเนี่ยพระอินทร์ สอดสองทิพเนศไปเนี่ยก็จะลงมาช่วยด้วยจีราสาของท่านทิพอาเคยอ่อนแต่ก่อนมากระด้างดังศีลาประหลาดใจทิพอาถของท่านพอกระด้างมันแสดงว่ามีคนดีเนี่ยเดือดร้อนจะต้องลงไปช่วยท่านเรียกว่าสหัสนัยไนยนาแปลว่าในตาเนี่ยหนึ่งพันหมายถึงที่จริงหมายถึงตาแห่งความเมตตาการุณา คอยสอดส่องดูเหมือนว่าเหมือนกับตาทิพย์อะรอกทิพเลยใครทุกใครเดือดร้อนที่ไหนต้องไปบรรเทาทุกข์นี่คือจิตอาสาแม้กระทั่งปัจจุบันไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวกระดึงก็คือพระอินทร์ตอนเป็นมนุษย์ทำบุญอะไรมาค่ามนุษย์เลยนะตอนแรกๆเนี่ยทำคนเดียวเป็นคงคงจะเป็นคนมีฐานะเนี่ยนะมีฐานะทางการเงิน ก็ทำไอ้ <expresses> สมัยก่อนนี่มันจะมีป่าไม้เยอะไม่ค่อยมีที่เป็นลานสะดวกสำหรับให้คนมาชุมนุมกันหน้าบ้านท่านก็เลยทำลานกว้างคนก็นิยมมาอยู่ที่ลานหน้าบ้านม า, าผิงแดดอื่นๆญาติๆก็มาตอนหลังท่านก็ไปทำลานให้ในที่สาธารณะ เพื่อให้คนมาใช้ชุมนุมคุยกันผิงแดดผิงไฟอะไรก็แล้วแต่ปรากฏ ว, ว่าพอทำไปเรื่อยๆให้ความสุขแก่คนอื่นแล้วตัวเองได้ความสุขเห็นคนเขามีความสุขมาเหมือนกับเป็นลานประชาคมอย่างเงี้ยท่านมีความสุขท่านก็อาส า, าทําทางนะ่ะทางเดินเน้นสมัยก่อนเนี่ยมันมันเป็นป่าเป็นดงยก ท่านก็ทำทางเดินทางทางให้คนเดินไปหมู่บ้านจากหมู่บ้านนี้ไปหมู่บ้านโน้นทำอยู่คนเดียวเพื่อนๆมาเห็นเข้าก็ถามว่าทำอะไรก็บอกว่าทำทางไปสวรรค์เพื่อนก็แบอเออเพื่อนหนุ่ม ๆ, ๆก็บอกว่าดีนี่ขอร่วมกิจาการด้วยก็เพิ่มเป็นสองคนสามคนหลายคนมาเห็นเขา้าเอ๊ ทำอะไรก็บอกทำทางไปสอนก็มาช่วยกันทำทางสาธารณะรวมสหายทั้งหมดเนี่ยทั้งมาฆมานพเนี่ยสามสิบสามคนเป็นกลุ่มสามสิบสามไม่ใช่ทำทางอย่างเดียวนะตอนหลังเนี่ยทางที่ตัวเองทำเนี่ยมันมีสี่แยกตรงไหนมีสามแยกตรงไหนไปสร้างศาลาพักร้อนอีกสร้างศาลาที่พัก มีแจกน้ำดืม่มมีอะไรตามศาลาเนี่ยพอสร้างศาลาที่พักแจกน้ำดืม่มแจกอะไต่างเนี่ยคนนิยมนะมาใช้ใช้แล้วคนทาก็มีความสุขมีเขาเรียกว่าเป็นคนมีไมตรีจิตอะ่ะเหมือนเหมือนคนไทยแต่โบราณอะ่ะอันวิสัยมือคนไทยแต่โบราณใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับให้น้ำให้อะไรแต่นี่ไม่ต้องมาถึงบ้านเลย ไปสามแยกสี่แยกตรงไหนก็มีสาลาเหมือนสาลารอรถบ้านเราสมัยปัจจุบันเนี่ยทักกรอรถผู้โดยสารเนี่ยเอาน้ำไปตั้งอะไรไปอำนวยความสะดวกเสร็จแล้วทำให้เป็นที่เพ่งเล็งไงไอ้พวกนุ่มๆตันี้มันมันมาเป็นกลุ่มอิทธิพลใหม่เพราะว่าคนนิยมทำให้ผู้ใหญ่บ้านละแวงก็เลยไปชักชวนว่าพวกเธอเนะี่ยอย่ามาทาแบบนี้นะ ช่วยไปสู้ไปหาของป่าเพราะอยู่ริมป่าเนี่ยหาของป่ามาเอามากินมาแบ่งให้ผู้ใหญ่บ้านจะดีกว่าหรือต้มเล่าเถื่อนจะดีกว่าไปแนะนำเขาอย่างนั้นไม่ทํสหาหัสสามส3สาคนอย่างมุ่งหน้าทําทางไปสวรรค์ทาประโยชน์จิตอาสาผู้ใหญ่บ้านกลัวความคุกคามตรงนี้และหาว่าหัวแข็ง ก็เจนแจ้งไปที่ทางการว่าเป็นกลุ่มกบฏ ท, ทางการก็จับไปเลยสมัยก่อนประเทศ ม, มันไม่ได้ใหญ่โตนี่แต่ละรัฐเนี่ยนะไปเฝ้าพระราชาสาสบสามคนหนุ่มชกันทางนั้นไม่ทำอะไรเลยนะซุ่มซ่องสมพวกคนพระราชาก็เชื่อก็สั่งประหารชีวิตโดยเอาช้างเหยียบช้างตัวใหญ่เชือกใหญ่เนี่ยจับพวกนี้นอนเรียงกันเอาช้างเหยียบให้ตาย ช้างไม่เหยียบพอเห็นพระราชาบสงสัยเห็นคนเยอะก็เลยเอาเสือกรุมและให้ช้างเหยียบช้างก็ไม่เหยียบเพราะว่าทั้งสามสียสามคนแผ่เมตตาให้กับช้างพระราชาก็เอะใจว่าสงสัยจะมีอะไรผิด ก, ก็เลยเรียกมคัมมานพมาถามสอบถามได้ความจริงว่าถูกใส่ร้ายพอพอถูกใส่ร้ายอย่างนี้ขึ้นมาพระราชาอภัยโทษให้ ตั้งมคมานบเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วเอาผู้ใหญ่บ้านที่ใส่ร้ายเนี่ยไปเป็นทาสทีนี้ก็เลยทำกิจกรรมจิตอาสารุวนๆเลยทีนี้พอตัวเองได้มีอำนาจขึ้นมารวมคนอาสาสิสามคนแกนหลักสร้างสาราประชา ค, คมใหญ่แล้วใครอยากจะมาพักเนี่ยให้ช้างที่จะเหยียบเขาเนี่ยนะไปเป็นพาหนะน้ำขี่ช้างมาถึง ถ้ามาอยู่ในมุมไหนเนี่ยสามสิบสามคนจะดูแลแล้วก็มีอาหารมีเสื้อผ้ามียารักษาโรคมีปัจจัยสี่แจกไปหมดเลย mm hmm. เท่านั้นยังไม่พอตอนทำศาลาเนี่ยศาลาคุณจะชื่ออะไรดีผู้หญิงกลัวจะนน้อยหน้าภรรยาของมะขามานพมีสี่คนก็รวมกันทำกิจกรรมตอนสร้างศาลาในสุดเนี่ย ศาลาคนนั้นก็ได้ชื่อตามภรร ย, ยาคนที่หนึ่งศาลาสุธรรมมาทาสวน ร, บรอบๆผู้หญิงทําอีกรอบๆศาลาใหญ่ได้ชื่อสวนสุนังทาแล้วก็ยังมีอีกออพวกศาสานาสุขอื่นอีกสโบกครณนีนะคุณสักสุจิตรายกเว้นสุชาดาคนเดียวที่รักสวยรักงามไปเกิดเปน็นนกกระยางท่าน ตอนหลังพระอินทร์ต้องไปโปรดแล้วมาเกิดบนสวรรค์เป็นนางสุชาดาเอาเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นงานจิตอาสาแล้วพอตายไปได้ไปเกิดบนสวรรค์ไปเกิดบนสวรรค์นี่บนสวรรค์นี่มีมีเจ้าของอยู่นะแต่ว่าคนส่วนมากไปเกิดสวรรค์เกิดทีละคนละองละองลงแต่นี่เกิดพร้อมกันสาสสาเลยเป็นแก้งใหญ่ยึดอานาจหัวหน้าสวรรค์นั้น เปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อสวรรค์นั้นเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงดาวดึงมาจากภาษาบาลีว่าเตติงสาแปลว่าสาสาเพราะฉะนั้นถ้าท่านทำเจตอาสา ม, มากๆเนี่ยพระอินเดือดร้อนเหมือนกันนะอเพราะว่าไปกันเยอะๆเลยนะไปอาจจะเปลี่ยนชื่อก็ได้แก๊งหนึ่งรอยแก๊งอะไรก็แก๊งห้าร้อยอะสวรรค์ไปเกิดพร้อมกันขึ้นมาสวรรค์นั้นก็คือใคร ใครขึ้นไปเยอะๆนี่ยมีเสียงข้างมากเป็นหัวหน้าเทวดาได้เลยแต่ตอนนี้พระอินทร์ครองอำนาจนะเรียกว่าเตติงสะหรือดาวดึงเป็นสวรรค์ชั้นที่สองอ่าท่าต้องพูดว่าชั้นจ่าตุม้มชั้นดาวดึงนะชั้นที่สองเลงให้ดีนะท่านนะจิตอาสาเนี่ยอ่าเพราะฉะนั้นในเรื่องจิตอาสานี้พระพุทธเจ้าตรัสรุปว่าคนที่มีจิตอาสาอย่างพระอินทร์เนี่ยมีคุณธรรมเจประการ เจ็ดประการนั้นถ้าเรียกว่าตบทดเจอันนี้คือคุณธรรมของจิตอาส์เจ็ดประการนี่อะไรบ้างหนึ่งเป็นคนกระตังอยู่เลี้ยงดูบิดามารดาถ้าตัวเองไปทำงานข้างนอกพูดง่ายง่ายแต่ในบ้านเรือนเนี่ยไม่ไหวพระอระหังในบ้านพ่อแม่หรือญาติพี่น้องให้เดือดร้อนเนี่ยมันก็ไม่ไม่เหมาะสมของจิตอาสา ที่ภาษาฝรั่งเขาบอกว่า charity begin at home ดูแลคนในบ้านก่อนด้วยนะแล้วเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านครอบครัวมไม่เดือดร้อนแล้วทีนี้ข้อที่สองเนี่ยคือเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เวลาท่านทำงานร่วมกันนี่มันเอาเอานักเอาเรียกว่าเอายศศักดิ์ออกนะมันไม่มี ใครเป็นใหญ่กว่าใครเราก็ต้องเคารพกันตามอาวุโสตามความรู้หรืออะไรก็ตามแล้วพูดจากันด้วยคำอ่อนหวานใครทำงานอาสาสมัครนี่คือเป็นผู้ให้ต้องแสดงออกด้วยวาจาที่สุภาพอ่อนหวานไม่ใช่ไปบบคู่บังคับเพราะฉะนั้นในกระทรวงสาธารณสุขท่านทำงานต้องรักษาคนไม่ใช่รักษาไข้รักษาคนคือดูแลจิตใจของเขาด้วยด้วยวาจาที่อ่อนหวานไพเราะ ข้อที่สี่ไม่พูดส่อเสียแต่พูดสมัครสมานสามัคคีเพราะว่าเมื่อมาทำงานร่วมกันเป็นหมู่ใหญ่อาสาสมัครนี่ทำหลายคนก็จะต้องเน้นความสามัคคีเป็นที่ตั้งจึงจะอยู่ได้กลุ่มอาสาเนี่ยถึงจะอยู่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่แข่งกันทำความดีและทะเลาะ ก, กันแย่งผลงานกันพลัดกันดีดีทุกคนชิงกันดีไม่ดีสักคนข้อที่ห้าเนี่ยแน่นอนว่า ท่านไม่ได้หวังผลตอบแทนเป็นเงินเป็นลากเพราะฉะนั้นท่านจะต้องมีใจกว้างเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ยินดีในการให้ปราศจากความตระหนี่อันเนี้ยเป็นคนุณธรรมพื้นฐานของผู้อาสาสมัครไม่ถามเลยว่าประโยชน์ส่วนตนเนี่ยเป็นที่หนึ่งไม่พูดจะได้ไม่ได้เพื่อแต่ว่าประโยชน์คนอื่นเป็นที่ตั้งใครที่มีลักษณะอย่างนี้เนี่ยชืออาสาแน่นอาานอข้อที่หกวาจาสัตว์ก็คือ พูดจริงทำจริงลับปากว่าจะไปช่วยที่ไหนจะไปทำอะไรมีสัตยาบัน ส, สัจจะอธิฐานอะไรก็ตามเมื่อจะทำประโยชน์ทำจริงและข้อเจอาจจะถูกใส่ร้ายถูกว่าเหมือนมค ะ, ะมนุษย์มาทำเพื่ออะไรเขาก็จะโจมตีท่านท่านจะต้องไม่โกรธเขาอาจจะใส่ร้ายท่านเขาอาจจะพูดให้หมดกำลังใจทำทาไมอะไรทานองนี้ ในที่สุดไม่อยากทำหรือไปตอบโต้กันมันก็จะเกิดความรุนแรงคนอาสาสมัครจะต้องมีใจหนักแน่นไม่โกรธวัตถบทเจข้อเนี่ยเป็นคุณธรรมตั้งแต่กจันยูเลี้ยงบิดามานะรดาเคารพผู้หลักผู้ใหญ่พูดจาอ่อนหวานสมานสมัคคีในหมู่คณะด้วยกันเป็นคนเอื้อเฟื้อ มีจิตเป็นผู้ให้มากกว่าจะรับแล้วก็รับปากจะทำอะไรแล้วก็ทาจริงมเมื่อทําแล้วอาจจะถูกใส่ร้ายอาจจะพูดให้หมดกําลังใจมีคนมาพูดอย่างโน้นอย่างนี้เราไม่โกรธ น, นี่แหละท่านจึงจะอยู่ในวงการจิตอาสาได้รวมถึงในวงการสาสารสุขนี่แหละท่านจะอยู่ได้ก็ถ้ามีาคุณธรรมจิตอาสาดังที่ได้กล่าวมา เข้อนี้เป็นเป็นคุณธรรมของพระอินนะเขาเรียกว่าตบดเป็นคุณธรรมหลักของจิตอาสาอันนี้เป็นฐานของจิตอาสาทั้งปวงเขาเรียกว่าตบดเจประการทีนี้ถ้าสรุปเบื้องต้นพื้นฐานเจประการนี้นให้ความสําคัญกับข้อไหนมากที่สุดท่านให้ความสําคัญกับสองข้อแรกก็คือเรื่องเรื่องความกระตัญญูนะ ความกาจัญญูเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานของจิตอาสาถ้าเราพูดถึงในภาษาสมัยใหม่ถ้าท่านนักข่าวมนต์จะมีความกะตันญูไม่ใช่จะเพาะกับบิดามารดาหรือคนในครอบครัวกาตันยูต่อท้องถิน่นชุมชนเพราะเข า, ากะตัญญูรู้คุณของท้องถิน่นชุมชนจึงพัฒนาท้องถิน่นสร้างสนนหนทาง กตันยูรู้คลของคนในท้องถิ่นในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอในเมืองก็ตามเขาก็สร้างศาลาประชาคมเป็นการตอบแทน ม, มันเป็นจินตนาสารเหมือนเหมือนทำไมองค์กรใหญ่ๆต้องทำ CSR corporate social responsibility เนะี่ยทำการตอบแทนสังคมเพราะเขาต้องกตันยูต่อลูกค้า บริษัทยากใหญ่ทั้งหลายก็จะมีเงินก้อนหนึ่งเป็นเป็นเงินสำหรับตอบแทนเขาเรียกคืนกำไรให้กับประชาชนแต่เรามักจะมองว่าก้อนคืนกำไรนี่มันคืองบโฆษณาซึ่งผิดฐานของซ s r คือกดตันยูกันตาเวทีลูกค้าคือคนที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะต้องตอบแทนน้ำใจเขาด้วย Social ibility, r e s ponsibility เสียสักมหาวิทยาลัยก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีนโยบายในการมหาวิทยาลัยวิทยาการแพทย์สาธาณสุขก็เหมือนกันต้องออกไปอาสาสมัครทำหรือบริการด้านวิชาการการแพทย์สาารณสุขแก่สังคมไม่ใช่เพราะโฆษณาแต่ด้วยความสำนึกแห่งการยูต่อแทนคุณต่อสังคมเราอยู่ได้เพราะเขา พูดในภาษาสมัยใหม่เราอยู่ได้ด้วยภาษีอากรของประชาชนและเมื่อข้าราชการอยู่ได้ด้วยเงินภาษีของประชาชนต้องกระตันยูกระตะัเวทีกระตันยูกระตะเวทีจึงเป็นขนธรรมพื้นฐานของวัตตบทดังที่พระพุทธพจน์นี้ที่กล่าวถึงวัดตบทเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าถวยเทพชั้นดาวเึืองเรียกคนผู้เลี้ยงมารดาบิดา มีกติระพืนอ่อนนอมต่อผู้ใหญ่ในตระกุกลตาขใอยทําพคคือเจข้อเนี่ยนะจนมาถึงว่าข่มความโกรธได้นั้นแหละ ว, ว่าเป็นสั บ, บรุษคนดีคนดีนั้นภาษ า, ษาธรรมะเขาเรียกสั บ, บรุษซึ่งใช้หมายถึงสตรีด้วยเพราะว่าสั บ, บริสธรรมอะธรรมะของคนดีคนที่มีจิตอาสาจึงเป็นคนดีของสังคมเป็นพลเมืองดี มีใครไม่ต้องการกลุ่มสาสิบสามคนในหมู่บ้านบ้างถ้ามีคนสาสิบสามคนนำโดยมรด า, ามาโนบมาเกิดในบ้านเราเนี่ยเราก็ชอบนี่แหละคือพลเมืองดีอาสาสมัครดูแลความปลอดภัยในหมู่บ้านดูแลสาสารสุขดูแลอื่นหมดอันนี้คือคนดีและถ้าเราได้คนดีอยู่นี้ในกระทรวงสาธารสุขเราเรียกว่าคนดีสีสาธารณสุขใช่หรือไม่ เพราะฉะนั้นคนดีศีลสัรสุษก็มีคุณธรรมเจประการสัพบริเสธรรมเอ๋ยพระทศวัตถบทิจและสําคัญที่สุดคือการตันยูรู้คุณกระตะเวทีตอบแทนคุณสัพุรุษคนดีต้องมีการตันยูกระตะเวทีสองข้อแรกในวัตถบทิจิตตเป็นพื้นฐานเป็นแรงจูงใจให้ทําเรื่องจิตอาสาเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสไว้ในที่อื่นว่าคุณธรรมพื้นฐานของคนดี คืออะไรเราเราจะเลือกคนดีสีสังคมสีสาธารณสุขเนี่ยหรือคนดีของบ้านเมืองพลเบือนอดีเนี่ยคนคนนั้นจะต้องมีคุณธรรมพื้นฐานที่ขาดไม่ได้เหมือนกันฐานของปิรามิดฐานแรกขาดไม่ได้แล้วมันจะต้องมีอย่างอื่นต่อๆกันไปอีกบนปิรามิดนั้นเราจะคบใครสักคนหนึ่ง อยากจะรู้ว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่คบหรือไม่เนี่ยเราครบเขาเพราะอะไรแล้วบอกเขามีน้ำใจเขามีน้ำใจเพราะอะไรเพราะเวลาเราจะให้ความดีต่อเขาไปทำดีเข า, เขาเอา่ะเขามีน้ำใจตอบเช่นมีคำขอบคุณมีการให้ตอบเรา เราจะคบคนไหนเมื่อเราให้ของขวัญเขาก็ให้ของขวัญตอบแล้วพูดดีตอบเขาเขาพูดดีตอบเขาเรียกว่ามีปฏิกิริยาการให้ก่อนเขาเรียกว่าอุปการะท่านทําอุปการะแก่ใครแกเด็กน่ะเด็กคนนี้ให้เราทําอุปการะช่วยเหลือเกื้อหนุนเด็กเขาไหว้เขาขอบคุณเขามาช่วยต้อนรับขับสู้เวลามีงานเข้ามาอาสาช่วยเราเนี่ยเด็กทําปฏิการะแปลว่าตอบแทน ตอบแทนด้วยคำพูดก็ได้ตอบแทนด้วยการอาสาก็ได้ตอบแทนด้วยเมื่อเขามีงานตามเอาเงินมาให้เราก็ได้เราเด็กอย่างเนี้ยเราอยากประการักเราอยากให้การช่วยเหลือแม้กระทั่งคนไข้ของเราก็ตามเถอะมามาที่ที่เราให้บริการเนี่ยเขาพูดใจเ ย, ยิ้มแย้มเจีมใสจดจำเราได้มีงานเชิญเราเนี่ยเขาทาปฏิการะกกับท่านเราชอบคนอย่างนี้คนที่มีน้ําใจต่อ เมื่อคนมีน้ำใจตอบเนี่ยมันถึงว่าเป็นสังคมของคนดีไงคนดีเขาจะมีอุปการะคือช่วยก่อนและมีปฏิการปฏิการะตอบแทนมาแต่ถ้าให้แล้วเงียบเนี่ยท่านมีเอาแต่ได้เห็นแก่ตัวเนี่ยท่านไม่อยากคบหรอกแม้จะเป็นญาติของเราก็ตามใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเราจะคบใครเนี่ยฐานแรกสุดเนี่ยคบได้ไม่ได้มันอยู่ที่ เขามีปฏิการะตอบสนองเราไหมคุณธรรมตรงนี้แหละที่จะทาให้เกิดอุปการะและปฏิการะนี่เนี่ยมันเป็น เ, เป็นฟันเฟืองเชื่อมสังคมเป็นน็อตเน่ยเวลายึดสิ่ต่างๆเข้าด้วยกันเนี่ยมันจะมีน็อตใช่ไหมมีริมสลักอ่ะยึดเข้าด้วยกันทีนี้การที่จะมีริมสลักในสังคมเนี่ย มันก็จะต้องมีคุณธรรมพื้นฐานเรามีกำลังใจที่จะให้แก่คนไหนถ้าคนนั้นเขามีปฏิการะกับเราบ้างคุณธรรมพื้นฐานที่ทำให้เราตัดสินว่าเป็นคนดีหรือไม่จึงอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าสัพปริสภูมิพระพุทธเจ้าตรัส ว, ว, ว่าสับพบริสภูมิคุณธรรมแปลว่าภูมิแปลว่าพื้นพื้นฐานภูภูมิคือคุณธรรมพื้นฐานของสัมปรุธหรือคนดีเนี่ย ได้แก่กาตันยุตา ก, กตเวีทิตากาตันยูกะตะวทีคนไหนคบได้ไม่ได้คือเขาต้องรู้ว่าเขามีปฏิการปฏิการะไหนถ้าท่านาให้เขาเขาให้ตอบอย่างเงี้ยแม้กระทั่งพูดเพราะภเราะเขาก็ภัยราะตอบเราเนี่ยทักแล้วไหวเขาไหว้ตอบคบกันได้โครงโลกกนี้จะบอกว่าให้ท่านท่านจับให้ตอบสนองนบท่านท่านจับปอง นอกไหวรักท่านท่านคนครองความรักเราหนาะไหวเขาเขาก็ไหวต้ตอบวันทกู ป, ปฏิวันทนังเราเป็นผู้ไหวเราทําก่อนอุปการะเขาไหวต่อเป็นปฏิการะปฏิการะนั้นทําด้วยสํานึกขอบคุณเราเขากะตัญญูกตัญญูคือรู้ว่าเราไหว้เขา รูป้ปฏิอุปการะที่เราทำแล้วกระตาเวทีแปลว่าประกาศการรับรู้นั้นให้ปรากฏด้วยการไหวตอบเขาเรียกกระตะเวทีเรายื่นของให้เป็นอุปการะเด็กรับของกล่าวขอบคุณการขอบคุนนั้นแสดงว่าใจเขากัตันยูรู้คุณกระตาเวทีประกาศให้ปรากฏด้วยคำว่าขอบคุณมันง่ายนิดเดียวเลยในสังคมเนี่ยกตัญยูกระตะเวทีเนี่ย ไม่ใช่ไปเลื่อนยุ่งยากรอจนกระทั่งโตพ่อแม่เลี้ยงลูกเนี่ยเชื่อฟังอยู่ในโอวาทก็กระตันอยู่แล้วตัวไหวท่านท่านจะไหวตอบสนองนบท่านท่านจะปองนอกไหวปูชโกและผาเตปูชังวันทโกปฏิวันทนังบูชาเขาเขาก็บูชาตอบไหวเขาก็ไหวตอบนบท่า น, ท, านท่านจะปองนอกไหว้รักท่านท่านควนครคลองความรักเรานาะ รักเขาเขาก็รักตอบใช่ไหมเรามีน้ำใจต่อเขาให้น้ำใจต่อเขาเขารักตอบในสถานะไหนก็ตามเนี่ยมันจึงจะเป็นปฏิการะกันเราให้ไมตรีจิตแต่เขาไม่มีน้ำใจเลยแม้จะในฐานะเพื่อนเราก็ไม่อยากคบเพราะฉะนั้นการที่เขารักตอบมันเป็นการตันยูการตะเวทีจึงเป็นพื้นฐานว่าคนนี้คบได้หรือไม่ได้ ความกตัญญูกตเวทีเนี่ยพระเจ้าตรัสว่าเป็นภูมิคือคุณธรรมพื้นฐานของคนดีถ้าปราศจากความกตัญญูกตเวทีแล้วคบยากมากใครที่เนรคุณต่อพ่อแม่เขาเองมีหรือเขาจะไม่เนรคุณต่อเราใครที่เนรคุณต่ อ, อ, อสถาบันที่เขาอยู่เคยเรียนอยู่ที่ไหนเคย ครูไทยเป็นครูบาอาจารย์เขายังไม่กระตันยูกระตะเวทีเขาเราทําดีแต่เขาเขาจะมามีเยอะใหญ่ต่อเราหรือคิดให้ดีนะเพราะฉะนั้นเรื่องกระตันยูกระตะเวทีเป็นตัวตัดสิงขดพื้นฐานเลยเรื่องอื่นค่อยว่ากันเราเราจะเลือกนักการเมืองอย่างเนี้เขาเขาเขาดีแต่ท้องถิ่นไหมเมื่อเขามีตําแหน่งมียศมีศักด์เขาห่วงใยประชาชนที่เลือกเขาไหม กตัญยูกาตเวทีไหมกาตันยูกาตาเวทีต่อประเทศไหมถ้าประเทศของเขาเองเขายัางทรยศหักหลังได้ขายชาติได้มีหรือไปอยู่ที่อื่นเขาจะไม่ขายชาติทำไมบุเรงนองจึงประหารอ อ, ออกยาจักรีที่ขายชาติในสมัย น, น, นู้นก็เพราะว่าคบไม่ได้ไม่มีคุณธรรมพื้นฐานแม้กระทั่ง บ้านเกิดบวงเหนือเมืองนองนเนี่ยยังไม่รักไม่กัตัญยูไม่รู้คุณไม่พิทักษ์รักษานี่มันเป็นเครื่องบอกว่าต่อไปออกยาจากกรีก็จะทรยศต่อพมา่าได้บริเวณนังจึงหาเหตุประหารกรัตัญยูกตัตวทีหมายถึงอะไรต่อใครก่อนเนะกะัตัญยูกตัตวทีมันเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่พระเจ้าสอนว่า ให้มีต่อคนสัตว์แม้กระทั่งสิ่งของสิ่งแวดล้อมด้วยนะเรามักจะนึกว่ากตัญญูต่อพ่อแม่ต่อครูบาอาจารย์ต่อคนที่มีพระคุณพระพุทธศาสนาสอ น, วนกว้างกว่านั้นสอนกว้างให้กัตัญญูต่อต้อนไม้ต่อแม่น้ําต่อภูเขาเราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมกันแล้วกันแล้วก็กตัญญูต่อตัวการคาว่าตัวการนั้นหมายถึง เขาไม่ได้ทำต่อเราโดยตรงแต่เขากำกับดูแลให้ทำบุญคุณแก่เรานึกถึงคำนี้ไหมภาสิจีนเขาบอกว่าดื่มน้ำให้นึกถึงคนขุดบอ่อทานผลไม้ให้นึกถึงคนปลูกต้นไม้ ส, สิ่งแวดล้อมคือสิ่งของคือต้นไม้ให้ผลไม้แก่เราโดยตรงบ่อให้น้ำดื่มแก่เรา เราไม่ใช่กตัญญูดูแลรักษาต้นไม้และบ่อน้ํานะให้กตัญยูกะตะเวทีต่อตัวการใครก็ไม่รู้ที่ให้ขุดบ่อไว้ใครก็ไม่รู้ที่ปลูกต้นไม้ไว้ประวัติศาสตร์จะสอนเรื่องกตัญยูกะตะเวทีใครสร้างชาติไทยเรามาอยู่ในประเทศนี้ดิแดนนี้เพราะใครสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมกันมาทําให้เรามีวันนี้ นี่คือข้อที่สมเขาเรียกว่าตัวการคือผู้ขับเคลื่อนดื่มน้ำยังต้องนึกถึงคนขุดบ่อกทานผลไม้ยังต้องนึกถึงคนปลูกต้นไม้สถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันชาติสถาบันศาสนาเราก็ต้องกาตันยูกตัตเวทีตอบแทนด้วยจิตอาสาเริ่มจากคาว่าบุคคลก่อนการตัญญูคือรู้อุปการะอุปการะคนที่คนอื่นทาให้ อุปการะแปลว่าการเกื้อหนุนอุดหนุนสนับสนุนจะโดยตรงโดยอ้อมกันแล้วแต่เ้าเรียกรู้แล้วเราเรียกว่ากตันยูข้อสองกระตะเวทีประกาศการรับรู้นั้นให้ปรากฏด้วยปฏิการะท่านอย่ากเก็บไว้เฉยๆนะกะตันยูรู้คุณแล้วกล่าวขอบคุณก็เป็นกระตะเวทีส่งเมสเซจขอบคุณก็เป็นกระตะเวทีใคร g o ต d morning มากกู o ์มอร์ n i n g ตอบใช่ไหมเออ ไม่อนกันเขาไม่สง่งเนี่ะเออเม่รู้จะส่งก็ทําไมก็ไม่รู้แหละเอาเป็นว่ามันเป็นกระดเวทีแล้วปฏิการะนั้นอาจจะเป็นช่วยเรื่องอะไรทางกายก็ได้ทางวาจา ก, ก็ได้แล้วตอบทุนแทนคุณพ่อแม่เราตอบตอบแทนคุณสังคมส่วนรวมอย่างที่จิตอาสาเหล่านี้เนี่ยท่านออกไปกวาดถนนไปทําความสะอาดไม่ได้ทําเพื่อ สแสดงน้ําใจอย่างเดียวนะท่านยังขอบคุณแผ่นดินถนนที่ให้เราเดินล้าครองที่ทําให้เราได้น้ําดื่มน้ําใช้เรากระตันยูไม่ใช่ไปกระตันยูขออภัยแม่น้ําแม่คงคากระรลอยกระทงอย่างเดียวเราไม่ปล่อยของเสียลงแม่น้ําอะมันก็เป็นการต่เวทีแล้วละ่ะอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ย ทีนี้กาตัญยูต่อบุคคลนี่เราต้องปฏิการะอย่างไรพุทธเจ้าบอกว่าอย่าว่าแต่คนเลยสัตว์มันยังกร์ตันยูพุทธเจ้าสัจเล่าว่าภิกษุทั้งหลายเธอเห็นไหมเมื่อคือสุนัขจิ้งจอกมันมานอนอยู่ในวัดเนี่ยสุนัขจิ้งจอกตัวนี้เนี่ยมันมีความกร์ตันยูกร์ตันยูอย่างไรพุทธเจ้าก็เล่าว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะเจ้าจิ้งจอกตัวนี้มันไปวิ่งอยู่ที่ าชายชายพื้นนาที่นาคือคนทํานาน่ยนะแล้วก็พี่ชายน้องชายเจดคนไปทํานาขณะทํานาอยู่เนี่ยไ อ, ไอ้น้องชายเนี่ยถางป่าถางออกมาขอบนาส่วนพี่หกคนนี่ทํานากันอยู่ไถนาหว่านข้าวไอ้จิ้งจอกมันก็อยู่ริมป่ามันก็วิ่งมาไปไปม า, มาดูดูคนทํานาคงจะมาหลายครั้งมันคุ้นเคยกับ คนที่มาถางป่าคนน้องสุดท้องวันหนึ่งเนี่ยขณะที่มาดูวิ่งเฉียดไปเฉียดมามันไม่ทําร้ายกันนะมันเป็นมิตรกันนะสุนัขจิ้งจอกกับ่คนน้องสุดท้องอยู่ๆงูเหลือมตัวใหญ่มาจากไหนก็ไม่รู้ลัดสุนัขจิ้งจอกจะกินอะลัดใหญ่เลยสุนัข ก, ก็ร้องดังช้านาคนสุดท้องเนี่ยน้องชายสุดท้องเนี่ยมันมีไมตรีจิตต่อสุนัขอยู่เห็นกันอยู่ก็เลยเอา จอบที่ตัวเองมีไปฟาดไอ้ไอ้งูเหลือมงูเหลือมเจ็บทนไม่ได้มันก็คลายแต่พอคลายปั๊บมันรัดคนแทนน่ะแทนสุนัขเลยนะรัดแน่นเลยสุนัขเนี่ยมันมันไม่มีปัญญาช่วยหรอกแต่มันรู้คุณว่าฉันลอดตายเพราะไหนคนนี้และคนนี้มารับเคราะแทนมันทาไงรู้ไหมมันวิ่งเข้าไปในนานนะนะไปหาพี่น้องหกคนพี่หกคน ที่กำลังทํานาอยู่เหาดังลั่นเลยเพื่อเรียกความสนใจนึงความสนใจแต่พี่หกคนก็นึกไม่นึกอะไรมาทํานากันไปเรื่อยสุนัข ก, ก็เลยวิ่งไปที่หม้อข้าวนะปิดฝาอยู่บนฝามีมีดอยู่ไปคาบมีดเหาด้วยนะคนก็มองอยู่มันมาเห่าทําอะไรแล้วก็พอกาลังดูก็คาบมีดวิ่งหนีเลยคนก็นึกว่าสุนัขเนี่ยขโมยมีดก็ไล่ตาม หมาแมก็ข้าบมีดไปทางคนที่ถูกงูเหลือมรัดพอไปใกล้งูเหลือมมันก็วางไายมีดทิ้งแล้วก็หนีไปพี่น้องเห็นงูเหลือมรัดน้องพี่เห็นงูเหลือมรัดน้องก็หยิบมีดฟันงูเหลือมงูเหลือมก็ปล่อยน้องชายลอดตายนะไอ้น้องชายคนสุท้องรอดตายเพราะสุนัขเป็นสื่อมาให้พี่ๆมาช่วยพระเจ้าตรัสล่าบอกว่านี่สุนัขมันยังกตันอยู่ต่อคนเลยเลย ทำไมคนจะไม่กตัญญูต่อคนเล่าและจึงให้ความาและก็ส่งสันเสริญคนกตัญญูนี่กตัญญูต่อบุคคลสุนัขจิ้งจอกเป็นสุนัขยังมีปฏิการะตอบแทนเลยกตัญญูต่อสิ่งของสิ่งแวดล้อมพระพุทธเจ้าชี้ที่ต้นไม้แล้วก็บอกว่าต้นไม้เนี่ยมีอุปการะแก่พวกเธอนะให้ร่ม ให้เงาให้ใบไม้ให้ผลไม้ให้ต้นให้อะไรต่างๆเธอให้ประโยชนย์จากต้นไม้แล้วต้องนึกถึงอุปการะคุณของต้นไม้เพราะองค์ตรัพว่าอย่างนี้ยาาัสสารกปคษาฉายายาณีศีเยาายะศัยยาวะเป็นต้นซึ่งแปลว่าบุคคลนั่งหรือนอนอยู่ใต้ร่มไม้ใดไม่พึงหักร้านกิ่งของต้นไม้นั้นอย่าว่าแต่ตัดเลยนะ นะอยู่ใต้ร้นไม้ใดไปหักกิง่งไม่ได้เพราะต้นไม้มีอุปการะเป็นมิตรใครมีอุปการะต่อเราเป็นมิตรของเราหมดแม้แต่ต้นไม้แม้แต่ห้องประชุมนี้แม้แต่บ้านเรือนแม้แต่ไมโครโฟนไม่มีไมโครโฟนจะมาก็พูดไม่ได้ไม่มีจอภาพท่านก็มองไม่เห็นต้องสิ่งเหล่านี้มีอุปการะคุณต่อชีวิตเรารถที่ท่านนั่งทุกวัน มันมีอุปการะก่อท่านบ้านที่อยู่อู่ที่นอนอย่าไปทําร้ายมันใครไปทําร้ายมิตรผู้มีอุปการะเป็นคนเลวแท้ๆพุทธเจา้าตําหนีนะเราไปตัดต้นไม้ไปทําลายสิ่งแวดล้อมแม่น้ําลําทานบ้านที่เรือนอาศัยเป็นนักเรียนและเอาสีทั้มาพ่นนี่ยพ่นโรงเรียนนะ่ยนะไม่ได้อยู่ในวัด กุฏิจะพังแล้วก็ต้องซ่อมต้องดูแลโบสถ์วิหารต่างๆเนี่ยเราปฏิการะด้วยกตัญญูตอบแทนด้วยกตัญญูและกะตาเวทีเพราะฉะนั้นสิ่งแว่ล้อมทั้งหมดที่ท่านเห็นพวกจินอานสาไปทำเนี่ยเขาทำด้วยจิตสำนึกต่ออุปการะคุณของสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นเวลาที่ท่านทานข้าวเลยนะข้าวเงินทองอาชีพ งานในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านทำให้ท่านมีข้าวปลาอาหารรับประทานเพราะมีเงินเดือนท่านจะต้องกตัญญูต่องานของท่านทำให้มนดีที่สุดเรานั่งอยู่ใต้ต้นไม้อย่าไปตัดต้นไม้ฉันใดเราอยู่ในอาชีพใดต้องรักษาเกียรติของอาชีพนั้นการที่ท่านทำลายกเกียรติศักดิ์ศรีของอาชีพด้วยการทาไม่ดีอะไรก็ตามเนี่ยเท่ากับ ไม่รู้อุปการะคุณของอาชีพของท่านเห็นหรือไม่ว่าการที่เราทําหน้าที่ให้ดีที่สุด เ, เท่าเทกับเรามีกระตัญยูกระตะวทีการที่ประชาชนที่เขาจ่ายภาษีมารับบริการจากท่านท่านมีปฏิการะบริการให้ดีที่สุดท่านมีกระตัญยูต่อบุคคลดูแลงานของท่านอาคารสถานที่รักษา มีกระตัญยูต่อสิ่งแวดล้อมต่อตัวการคืออะไรคนที่จ่ายภาษีอากรืร่นที่ไม่ได้มารับบริการจากท่านเขาก็มีบุญคุณเขาเป็นตัวกลางและตัวการนี่ไม่จำเป็นจะต้องทำด้วยความตั้งใจนะมิฉะนั้นพระเจ้าคงไม่ตรัสประโยคต่อไปนี้นิทีนังวะปะวัตตารังยังปเสวัชทัศนัง แปลว่าเพึงเห็นบุคคลที่มักชี้โทษตำหนิเราเหมือนผู้บอกขุมซ้ําให้ใครที่มาตําหนิมาว่ากล่าวเราอะไรเราแม้กระทั่งเป็นฝ่ายค้านเนี่ยจะตำหนิด้วยหวังดีหรือหวังร้ายก็ตางแต่มันมีผลทําให้เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเราต้องนึกถึงคุณอุปการะของผู้นั้นถ้าเขาไม่มาด่าแล้ววันนั้นเราก็จะไม่มานึกว่าโอ้เราเป็นคนอารมณ์ร้อนนะเพราะฉะนั้น ฝ่ายค้านก็มีอุปการคุณไม่ว่ามันจะทำให้เราไม่เหลืองทำให้เราไม่ผิดพลาดมองข้อตาหนิของฝ่ายที่มาว่าเราเหมือนบ่งบ่งชี้ขุมทรัพย์ให้เหมือนกับเวลาที่เขาปั้นกุทธรูปหลอ่อรูปเนี่ยเขาจะต้องมีช่างประเภทหนึ่งนอกจากช่างหล่อแล้วคือช่างตีช่างตีเนี่ยจะมาจ้องปิงเลยนะหูยาวไปข้างหนึ่งเอา ช่างก็แก้แล้วมือไม่เท่ากันนะ่ะแก้แล้วช่างตินี่แหละที่ทําให้พุทธรูปอย่างพระพุทธชินราชงดงามท่านอย่าไปนึกถึงแต่ช่างหล่อนะคนที่ทําให้พุทธรูปงดงามเนี่ยคือช่างติหลวงพ่อแเพววัดพิคุลทองเวลาหล่อพุทธรูปองค์ใหญ่นะที่วัดพิกุลทองเนี่ยนิมนต์เจ้าเป็นคนสำเร็จพระมหานตราจานวัฒนะไปเป็นช่างติคอยดูว่ามันไม่สวยตรงไหนไม่เสวยไหนแล้วแก้ตรงนั้น นั่นแหละออกมางดงามฉะนั้นตัวพวกช่างติก็เป็นตัวการอันหนึ่งคือมีส่วนทำให้เกิดความดีงามฉะนั้นใครที่ว่ากล่าวตักเตือนเราใครตำหนิเราเจ้านายเราอะไรนะมีอุปการะคุณตัดเงินเดือนก็ผมจะมีเหมือนกันมีอุปการะบ้างก็พยายามมองแง่ดีกันนะแล้ว มันจะทำให้เรามีมา n น a ะแข็ ง, ขงคุณทำความดีมากขึ้นทีนี้ในกรณีที่คนที่เขาไม่ได้ทำโดยตรงแต่เขาสั่งเขาสั่งต่อๆกันมาหรือเขาเคยทำมาโดยอ้อมก็ถือว่าเป็นตัวการทั้งหมดอย่างที่เรามีสถาบันชาติศาสน า, าเนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยจนกระทั่งประเทศเรามีวันนี้ได้เนี่ยมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเราก็ต้องกตัญญูจงรักภักดี ต่อสถาบันทั้งหลายเหมือนอย่างที่ได้กล่าวมาว่าดื่มน้ำไม่นึกถึงคนขุดบ่อทานคพาะไม่นึกถึงคนปลูกต้นไม้วันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติเพราะมีพระองค์ท่านสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีนานรัชการที่9ทรงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทรงเป็นคู่บา ร, รมีของรัชการที่9พระองค์ก็ปกแผ่บา ร, รมีทาให้ประเทศไทยมีวันนี้ เราก็กระตัญญูกรตเวีตีต่อพระองค์ท่านพระองค์เป็นพระพระราชาช น, นในรัชกาลที่10บรัชกาลที่สิบก็ปกแผ่บารมีมาถึงพวกเราฉะนั้นเรานึกถึงย้อนไปที่สถาบันก็คือผู้มีส่วนเหมือนกับตัวกาเนี่กระตัญยูต่อสถาบันประเทศเราเราจะต้องกระตัญยูต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ดังที่รัชกาลที่หนะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเ้าเจ้าอยู่หัวทรงทรงประดิษฐ์ธงไตรรงค์ขึ้นมาประกาศใช้ในวันที่หนึ่งตุลาคม 2,460 100หกนึ่งกว่านปีมาแล้วทรงอธิบายว่าสีทั้งสมเนี่ยแดงขาวน้ำเงินเนี่ยหมายถึงอะไรขอพรำรำพันธ์บรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามนามถนัขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสด์หมายพระไตรัต์ และธรรมะคุ้มจิตไทยขาวคือพระรัตนตรยัยพระพุทธศาสนาและศาสนาที่ท่านนับถือนะอ่ธรรมะคุ้มจิตไทยศาสนาอื่นๆแดงคือโลหิตเราไซที่ยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาระโปรดเป็นของส่วนองแดงคือเลือดชาวไทยทั้งปวง และน้ำเงินก็คือพระมหากษัตริย์ท้าโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงจึงเป็นสีธงเครื่องหมายแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามนี่ก็คือในที่สุดแล้วเนี่ยเรารู้อุปการะของสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์เราก็ต้องทําปฏิการะตอบแทนชาตินั้นเรียกว่าคนไทยด้วยกันเนี่ยเราก็จะต้องมีจิตอาสาไม่ว่าเขาจะอยู่ส่วนไหนมุมไหนของประเทศด้วยกตันญูเราก็มีกระตะเวทตีตอบแทนคนไทยด้วยกันยิ่งเราไปต่างประเทศเจอคนไทยพูดไทยยิ่งดีใจใหญ่เขาหลงเขาตกรถอะไรเราก็ช่วยหรือใช่ไหม แล้วศาสนาพระพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ท่านนับถือท่านก็นจะต้องอุปการะปฏิการะตอบแทนแล้วก็ส ถ, ถาบันพระมหากษัตริย์ก็ต้องมีปฏิการะตอบแทนเช่นเดียวกันดังที่ประชาชนจิตอาสามาร่วมกันเนี่ยตามพระบรมราชโองายในรัชกาลที่10บเนี่ยเป็นปจิตอาสาก็ถือว่าท่านจะมีจิรสาโดยตรงหรือเพราะความจงรักภักดีก็ตามท่านก็มีความกตัญญูกตาเวที เป็นพื้นฐานทีนี้เนื่องจากหัว ข, ข้อนี้เนี่ยมันมีสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือจิตอาสาส่วนที่สองคือการพัฒนาที่ยั่งยืนอาตมาก็จะโยงไปถึงประเด็นที่สองการพัฒนาที่ยั่งยืนคือ sustainable development อ่าเป็นคำของสาหประชาชาตินะนะที่ประกาศใช้ในปี1987ตอนแรกเนี่ยใช้ในความหมายของสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเป็นการกระตันยูกระตะเวทีต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นข้อที่สองในความกระตันยูที่อาจามาได้พูดโดยแปลอย่างนี้ก็ล้กันว่ารูปแบบของการพัฒนาที่สนองความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบันโดยไม่ทําให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตต้องประณีประนอมลดทอนความสามารถในการที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเองอันนี้คือแปลจากภาษาอังกฤษนี่เลยก็หมายความว่า เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนเราไม่เอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพื่อสนองตัญหาความต้องการของคนรุ่นเราจนทั้งป่าไม้ภูเขาแม่น้าลาทานย่อยยับไปหมดจนคนรุ่นลูกรุ่นหลานไม่มีอะไรจะใช้เลยเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงเขาด้วยเรียกว่าพัฒนาแล้วเผื่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานมันยั่งยืนต่อไปนี่เขาเรียกการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อมาสังคมราชาติได้ขยาย ว่าการพัฒนาที่ยังยืนอย่าไม่ได้หมายถึงสิ่งแวดล้อมเท่านั้นยังหมายถึงการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจด้วยถ้าพัฒนาเศรษฐกิจแต่ไปทำลายสังคมวัฒนธรรมก็ไม่ถูกต้องเอาคนมาต่างบ้านต่างเมืองมาเพื่อเพราะอะไรเพราะการท่องเที่ยวแต่มาทำลายวัฒนธรรมที่ดีงามของลูกหลานเราลูกหลานเราก็จะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลย เพราะฉะนั้นประเทศอย่างภูตานเนี่ยเขาจะไม่เอานักท่องเที่ยวสมสิทธิ์มบไปทําลายวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมนะเขาจะเลือกอคนที่มีเงินเยอะๆไปเที่ยวภูตานเพราะเศรษฐกิจของเขาต้องสัมพันธ์กับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างนี้โดยใช้คุณค่าทางศาสนาในภูตานเนี่ยนะแล้วก็ใช้หลัก GNP ใน Channel Happiness ความสุขมวลรวมของประเทศมันไม่ได้มาจากเศรษฐกิจอย่างเดียว มาจากสังคมวัฒ น, นธรรมและสิ่งแวดล้อมด้วยอันนี้คือการพัฒนาที่ยังยืนฉะนั้นในในการพัฒนาที่ยังยืนจึงมีสามมิติหนึ่งสังคมวัฒ น, นธรรมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจจะต้องไปด้วยกันในปัจจุบันเวลาที่เราพูดถึงการพัฒนาสังคมอขอโทษการพัฒนาที่ยังยืน sustainable development เนี่ย มันหมายถึงสามิติแล้วท่านอย่าไปมองแต่เรื่องสิ่งแวดล้อมอันนั้นล้าสมัยไปแล้วในปีในปีคศส0 1 6ปีนี้2018นะจนถึง2030นสี้สหประชาชาติจัดเป็นช่วงของ sustainable development goals ทั่วโลกจะต้องช่วยกันพัฒนาไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และกำหนดไว้แม้แต่ประเทศไทยต้องถือสัตยาบัตร น, นี้กระทรวงสานรณสุขทำอะไรก็ตามนี่จะต้องเป็นไปไปตามเป้าหมายคือ SDG S ก็คือ sustainable development goals ndg เลนะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมี17ข้อด้วยกันใน17ข้อนั้นไม่ได้มีเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวมีเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและก็สิ่งแวดล้อมอยู่ในนั้น 17ข้อจะมาไม่มีเวลาที่ใบนะรวมถึงเรื่องสาธารณสุขของท่านเนี่ยก็อยู่ใน SDG นี่แหละประเทศไทยไปรับสัตยาบันมาก็กำลังดำเนินการจ น, จนถึง2030ยกตัวอย่างข้อแรก no poverty ไม่มีความยากจน uh, no hunger นะไม่มีความหิวโห ย, หยสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจถ้าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็คือ การรักษาไอ้ไ a ้เม็ดเช่นเนี่ยนะรวมถึงการรักษาทรัพยากรใต้น้ำในรูปปลานี่ก็คือน้ำการรักษาพยากรบนดินต้นไม้สิ่งแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วก็คือเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมส่วนวัฒนธรรม ก, ก็เช่นเดียวกันก็จะอยู่ในเรื่องการศึกษาและอื่นเอาเป็นว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสาธารณชาติก็ดี เป้าหมายการพัฒนาอยกยืนของประเทศไทยก็ดีเนี่ยตรงกันหมดคือมีสามมิติสังคมก็คือเรื่องคนเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเราจะไปสู่เป้าหมายนั้นเนี่ยด้วยจิตอาส า, าได้อย่างไรจิตอาสาจะมาบอกและมาจากพื้นฐานของกรตันยูกรตวเวทีสามเรื่องต่อบุคคลก็คื อ, อ, อ, อ, อต่อบุคคลต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ ต่อสิ่งของสิ่งที่เราอยู่อาศัยนะทบทวนอีกทีก็ได้ว่าในเรื่องของกตันยูที่เป็นพื้นฐานกตาเวทีเนี่ยนะท่านจะต้องทำานึงถึงคนอื่นนะต่อบุคคลเพราะฉะนั้นบุคคลก็จะมีสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมอะไรอย่างนั้นและเศรษฐกิจอยู่างนั้นมีสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตัวการผู้มีส่วนทั้งปวงเมื่อท่านเห็นว่าท่านมีจิตอาสาท่านไปช่วยคนอื่น ท่านไปช่วยสิ่งแวดล้อมท่านไปช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจสมัยก่อนเนี่ยเศรษฐกิจเราอยู่ได้ด้วยอะไรด้วยจิตอาสาเนะีชาวนาที่เขามีนาหลาเป็นร้อยไร่เนี่ยเขาทํานากันด้วยอะไรพิธีลงแขกเอาแรงกันลงแขกลงแขกในความหมายที่เด็กสมัยนี้เข้าใจผิดไปแล้วเลยนะลงแขกต้องไปดูชนบทนะทำไมยอยูอ่ยังเห็นอยู่ในบางแห่งนี่ก็คือว่า เอาข้าวปลามาเลี้ยงกันเองแล้วก็มาช่วยกันเกี่ยวข้าวมิฉะนั้นเนี่ยทิ้งไว้วันเดียวเลยนะนกกินหมดเลยข้าวข้าวสุกเนี่ยไอข้าวที่ที่ออกรวงนี่นะทิ้งไว้ว่าเกี่ยวทีละหน่อยทีละหน่อยทีละคนสองคนเนี่ยนกเอาไปกินหมดเพราะฉะนั้นพอที่ไหนออกรวงเสร็จเขาก็จะเจ้าของบ้านเนี่ยก็จะทําอาหารเลี้ยงใครมากินฟรีหมดแต่ช่วยเกี่ยวข้าวให้เสร็จเขาเรียกพิธีลงแขกอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าเอาแรง บ้านฉันมีนาเยอะทําเดียวไม่ไหวเพราะชันออกรวมก่อนเธอมาช่วยเกี่ยวให้เสร็จนะก่อนที่นกมันจะกินพอฉันเสร็จปุ๊บคนทั้งหมดก็ยกไปอีกนาแปลงหนึ่งเอาแรงกันเพราะเขาคนอื่นมาช่วยฉันชั้นก็ตอบแทนคุณอันนี้ก็เป็นจิตอาสาเนี่ยในสังคมไทยเราเนี่ยเศรษฐกิจอยู่ในจิตอาสานะชนบทเดี่ยมันจะทํานาทําไร่อะไรกันได้แม้กระทั่งทําไร่ก็เหมือนการการเก็บผลไม้เนี่ย เราไม่สามารถจะเก็บให้มันพร้อมกันได้หรอกมาทั้งทั้งทั้งสวนหรอกมันต้องเอาแรงกันลงแขกกันเศรษฐกิจก็อยู่ด้จิตอส า, าสังคมวัฒนธรรมอะไรต่งางๆอันทีนี้การแสดงออกซึ่งจิตอสานาี่ทำด้วยสี่วิธีด้วยกันนะในทางธรรมะเนี่ยนะหนึ่งก็คือท่านแสดงออกด้วยการให้ท่านอยากจะทำจิตอส า, าทำอย่างไรบ้างสมมุติสมสมุติว่า เราอยู่ตรงนี้แต่เราอยากจะมีจิตอาสาจะไปช่วยคนที่ อ, อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่วาทำความสะอาดที่ใดก็าตามเนี่ยนะหรือช่วยกันจิตอาสาไม่แค่ไม่ทั้งน้าท่วมนะท่านตอนนี้น้ำท่วมที่นาที่นี่เนี่ยท่านไม่อาจจะไปพายเรือแจกของท่านทำทานบริจาคเงินทองบริจาคเสื้อผ้าบริจาคเรือ อันนี้เขาเรียกว่าโอบอ้อม อ, อ, อารีด้วยการให้มิเสธให้สิ่งของท่านก็เป็นจิตอาสาเขามีกลอ่องอยู่ให้ท่านบริจาคน้ําท่วงท่านท่านหยอดไปท่านก็จิตอาส า, าด้วยเงินด้วยทองจิตอาสาด้วยการให้ทานจิตอาสาด้วยปิยวาจาก็หมายความว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเราก็ให้กําลังใจส่งข้อความไปให้กําลังใจหรือ ไปบอกทางไอ้ป้ายจราจรเนี่ยเขาไปทางนั้นทางนี้เราก็ไปช่วยกันหรือไปเป็นวิทยากรอย่างเขามีการอบรมกันนี่นะที่ไหนก็ตามทางการแพทย์ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ค่อยมีความรู้เรื่องสาธารณสุขท่านอาสาออกไปให้ให้ความรู้ฟรีๆเลยแก่ประชาชนป้อง ก, กันโรคนั้นโรคนี้ระบาดอะไรต่างเนี่ยท่านก็ปิยาวาจาด้วยข้อที่สอง ข้อที่3อัฏฐจริยาไม่มีเงินไม่มีของอความรู้ก็ไม่ค่อยมีหรือไม่มีเวลาไม่ไม่ไม่ค่อยมีความรู้ท่านไปช่วยแบกช่วยหามช่วยจับช่วยทังน้ำท่วมในประเทศไทยเนี่ยได้คนที่เขาเรียกว่าอาสากาันไปพายเรือส่งอาหารตัวเองไม่ได้บริจาคอาหารส่งอาหารตาม บ, บ้านอย่างนี้ก้านอัฏฐจริยาช่วยแบกช่วยหามอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้ ปัน้นวัวปั้นควายให้ให้ลูกทะนเล่นน่จิตอศ า, ศาสทาทั้งนั้นข้อ 4, สสามานตตตาหวานตนพอดีก็คือมีเ e n s e of b e l ล n g i n g หมายความว่าเราพวกเดียวกันเวลาที่ใครมีความทุกข์ท่านอาจจะไม่มีข้อ1ข้อสข้อ3แต่ไปให้เห็นหน้าไปเยี่ยมกันไป เ, เวลาที่เขามีความทุกข์ป่วยอยู่โรงพยาบาลนะท่าน บางทีไม่มีของขวัญเจตมือเป็นหลอกแต่ไปเยี่ยมไปเยี่ยมนี่ก็คือมีความรู้สึกว่าร่วมสุขร่วมทุกมีทุกเร่วมทุกมีสุขร่วมสุขไปแล้วไปให้เห็นหน้ากันโทรศัพท์ไปถามข่าวก็อย่างดีไปให้กำลังใจสมานตตาท่านให้มีความรู้สึกเป็นพี่น้องเป็นคนไทยด้วยกันชาวลาวใช่ไหมเคขือนแตกส่งของไปยังไม่พ อ, อไปเยี่ยมไปเยีอน ไ, ไปดูแลกันอะไรต่างเหล่านี้เป็นสมานตตาทั้งสิน้น ทีนี้ในการแสดงประโยชน์ของจิตอาสาแต่มาจะเมื่อสังคมไทยเนี่ยซึ่งเป็นสังคมจิตอาสาโดยพื้นฐานเนี่เป็นคนมีน้ําจิตน้ําใจเป็นสยามเบิกยิ้มต่างประเทศมาเรายิ้มเราต้อนรับเป็นไมตรีจิตเขาเขาเดือดร้อนเราให้ที่พักเราจะเห็นได้ว่าตอนที่เกิดสึนามิเนี่ยคนต่างประเทศกลับไปชื่นชมประเทศไทยมากในเรื่องที่ ช่วยกันในภาคใต้เนี่ยนะคนในภาคใต้เนี่ยช่วยดูแลชาวต่างประเทศไม่ว่าจะในเรื่องอะไรก็ตามนี่เป็นจิตอาสาทั้งนั้นจิตอาสานั้นให้ประโยชน์ที่พอสรุปได้ในเวลาจํากัดเนี่ยสี่ประการด้วยกันนอกจากการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยแต่ทั้งหมดมันจะนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนข้อแรกทําไมท่านต้องทําจิตอาสาเพราะจิตอาสาให้ความสุขแก่ตัวท่าน จิตอาสาเนี่ยเป็นการคิดถึงคนอื่นไม่ได้คิดถึงตัวเองนะแต่การที่เราไปคิดถึงคนอื่นเนี่ยทำให้เราลืมความทุกข์ของเราเองถ้าเราหมกมุ่นอยู่แต่ปัญหาของตัวเองเราจะมีความทุกข์แต่เราไปช่วยไปดูคนที่ทุกข์กว่าเราเราดีขึ้นมองที่สูงเราก็ต่ำ เราแยกแต่มองคนที่ต่ำกว่าเราสูงเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยเกิดบาดเจ็บเกิดอะไรต่างขึ้นมาเนี่ยไม่สบายอยู่โรงพยาบาลแต่ไปเห็นเพื่อนข้างๆที่พิการแล้วเขามีความสุขขณะเขามีมีแขนมีขาเขายังมีความสุขนี่เรานี่มีอาการสาสบสองแล้วทำไมมาเศร้ามาทุกข์อย่างนี้เลิกเห็นแก่ตัวเลิกนึกถึงตัวเองเป็นหลักจิตอาสามันจะช่วยตรงนี้ เพราะฉะนั้นจิตอาสาเนี่ยมันจึงรักษาสุขภาพจิตท่านไม่เคยท่านไม่สังเกตเลยว่าเวลาคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยเขาให้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไอ้เพจทั้งหลายเนี่ยเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวก็ได้ดูแลมันไปพอมาไปดูแลมันเนี่ยห่วงห่วงสุนัขมากกว่าห่วงตัวเองอีกนะเออแล้วสุขภาพจิตดีขึ้นเอไม่มีใครก็คุยกับน้องหมา ก็อย่าไปว่าเขาอ่ะเขามันเป็นก็จิตอาสาให้สุนัข ก, ก็อย่างนี้นะอ่ะทีนี้ข้อสองได้กลุ่มกะเลยนามิ น, นท่านไม่ได้อาสาคนเดียวนะเวลาทำอาสาสมัครมันมาเป็นทีมนะขนาดพระอินยังมีสามสิบสาคนเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้นี่แหละเป็นคนเขาเรียกว่าครบได้คนไหนมาร่วมจิตอาสาคนนั้นกะตังยูกะตเวีที เราให้อุปการะเขาเขาก็อุปการะตอบเขาอุปการะเขาปฏิกระต่อสังคมแสดงว่าเป็นยังไงมันเป็นกลุ่มคนที่มีจิตกระตันญูกระตะเวทีต่อท้องถิน่นต่อชุมชนต่อบ้านเมืองแล้วคนที่ร่วมอุดมการณ์เดียวกันคนที่ร่วมใจเดียวกันเนี่ยทําไมไม่น่าครบละ่ะน่าคบใครมีจิตอาสานี้น่าคบไปเหมือนกับพวกที่ไปทําบุญนะ่ะตามตาม่ตางจังหวัดไปทอดกระเทียมทอดระปาเนี่ยเขาใจบุญ เราก็ได้กลุ่มคนเหล่านี้นะเนี่ยมานัดแนะกันนะปีหน้าไปไหนไปอะไรต่างแล้วมันมีความสุขเพราะเป็นพวกใจดีด้วยกันเป็นคนดีเป็นสัมบรุษสรุษนะ่ได้กลุ่มกันัไงนามิตรข้อสสร้างตาข่ายนิรภัย mm hmm. เวลาสังคมเดือดร้อนเนี่ยเราระดมทางการอย่างเดียวไม่พออย่างสึนามิเนี่ยชาวบ้านออกมาช่วย เวลาที่ประเทศไทยน้ำท่วมหรือเศรษฐกิจตกต่ำในปี2540เนี่ยค่าเงินบาทตกราคาตกเนี่ยธ น, นาคารโลกเป็นห่วงประเทศไทยมากตอนแรกว่าคนจะตกงานมากมายมหาศาลแล้วสังคมไทยแต่จะเดือดร้อนแต่ปรากฏว่าสังคมไทยอยู่ได้เพราะมีเซฟตี้เน็ตตาข่ายนิรภัยเซฟตี้เน็ตเตียข่ายนิรภัยอย่างไรก็คือ คนออกมาช่วยกันมีแชริตี้เนี่ยการบริจาคแจกอาหารแก่คนตกงานหรือแม้กระทั่งเจ้าของธุรกิจเคยทําบริษัทใหญ่ๆแต่ว่าคนตกงานเพราะว่าขายขายรถไม่ได้ขายเครื่องจักรไม่ได้เปลี่ยนมาขายขนมปังแล้วเอาคนที่ตกงานที่ขายรถขายเป็นเป็นเซลเนี่ยขายขนมปังให้งานเขาทําเหล่านี้เขาเรียกว่าตาขายนิรภัยนั่น เวลาที่น้ำท่วมปี2องพนน้ําำท่วมนะ่ท่วมกายแต่ไม่ท่วมใจคนอยู่บนหลังคาบ้านได้คนไทยที่มีจิตอาสาอาหารไปจแจกนะมากมายมหาศาลเหล่านี้านาคารโลกเขาเรียกว่าเซฟตี้เน็ตตาข่ายนิรภัยเวลาเล่นกายกรรมบนที่สูงเนี่ยโดดกันไปโดดกันมาเนี่ยจับกันอยู่บนนู้นบนสายสายที่เขาโดดจับกันเนี่ย ตกลงมาไม่ตายนะเพราะมันมีตาข่ายรองรับสังคมเวลามันอดอยากขึ้นมาเวลาตกงานขึ้นมาน้ำท่วมไฟไหม้อะไรขึ้นมาเขาไม่อดตายเพราะว่าเพื่อนบ้านดูแลคนมีจิตอาสามาช่วยมูลนิธิมาช่วยเนี่ยคือตาข่ายนิรภัยสุดท้ายเกิดทุนทางสังคมโซเชียลแคปิโตจิตอาสาเนี่ยทำให้เกิดทุนทางสังคมที่แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างเช่นใน ในชนบทที่พิธประเพณีลงแขกประเพณีเอาแรงอะไรต่างช่วยมาแต่เดิมไม่มีเงินจ่ายแต่มาช่วยช่วยกันเรียกวทุนทางสังคมมีแรงงานเยอะแยะหมดเลยที่จะมาช่วยโดยไม่ต้องจ่ายสตังค์แล้วพัฒนาอะไรหลวงพ่อครูบาศีวิชัยสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพใช้เงินสักบาทไหมซึ่งถ้าเป็นเงินปัจจุบันเท่าไหร่แต่ไม่ต้องเสียสตางค์เพราะจิตอาสา เนี่ยเจดาาสาเหล่านี้เนี่ยข้าวหมอ้อแกงหมอ้อออกมาจากไหนก็ไม่รู้มาทำทางขึ้นดอยสุเทพโซเชียลแคปิตอลทุนทางสังคมแล้วอยากจะทำเรื่องกัน่นในสมัยนี้พระนักพัฒนาในชนบทอนะ่ะท่าน ท, ท่านอยากจะตัดถนนตัดถนนไปไม่ไม่ต้องในชนบทที่ราชบุรณะนี่แหละไปพระประเดงเนี่ย แต่ถนนต้องเวนทินแหววเวนคืนที่ดินในสมัยจอมพลปอปรากฏว่าชาวบ้านไม่ยอมแล้วจะเวนคืนก็ไม่มีสตางค์เป็นชว่วสสงครามโลกหลังสงครามโลกต้องไปขอพร ะ, ะเนีเจ้าว่ดาดวัดไพที่พระประแดงเ่ยนะวัดภัยชยนเน่ยปรากฏว่าหลวงพ่อไปพูดกับชาวบ้านนะพูดกับชาวบ้านชาวบ้านทั้งหมดยอมนะ ไม่คิดสตางค์เลยตัดผ่านที่ดินตัวเองผ่านหน้าวัดไผ่ช ย, ยน์พลเรศ อ, อ่ะทางการก็เลยตั้งชื่อถนนนั้นตามชื่อหลวงพ่อเนี่ยนะอันนี้ก็คือทุนทางสังคมบางทีเราสร้างสร้างโรงพยาบาลนะท่านกระทรวงสาธารณสุขไม่มีสตางค์ไม่มีงบในการสร้างอาคารหลวงพ่อหลวงพี่ใครต่อใครก็สร้างอาคารให้ใหญ่โตเป็นอาคารหลังนั้นหลังนี้ตึกต่างๆเนี่ย ก็คือเงินของประชาชนที่บริจาคผ่านหลวงพ่อคูณผ่านพระทั้งหลายนี่แหละอันนี้ก็คือสังคมไทยเราพัฒนาในทางศาศาสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะอาคารแม้กระทั่งอะไรโรงพยาบาลพยุ พ, พราชะก็มาจากทุนทางสังคมดังนั้นถ้าเราคิดดูเครื่องจากเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ทั้งหลายเนี่อยากจะได้ขึ้นมาโรงพยาบาลต่างๆทํำยังไงวิ่งเนาะเออ พี่ตูนน่ยวิ่งจากจากใต้ไปเหนือเนะี่ยเงินเงินเอามาสนับสนุส น, นโรงพยาบาลทั้งสิบกว่าสิบแห่งเนี่ยมาจากไหนทุนทางสังคมทั้งสิน้นแล้วคนที่บริจาคนี่คือใครคือผู้มีจิตอาสาทั้งสิน้นเขาไม่ได้ออกมาโดยตรงแต่เขาทําทานปิยะวาจาอัตตจริยาคนที่บริจาคเงินเป็นทานเอาเงินมาให้ในที่คุณตูนสร้างโรงพยาบาลเนี่ย อ, อุปถัมภ์โรงพยาบาลเนี่ย คนจิตอาสาให้ทุนด้วยทานแล้วก็ปิยาวาจาสื่อทั้งหลายรายงานข่าวเทเชิงบวกหมดคนก็ออกมาวิ่งนะมาวิ่งด้วยกันเนแมเด็กยังมาเลยแล้เพราะฉะนั้นก็มามีสมานะต า, าการมีส่วนร่วมเกิดทุนทางสังคมขึ้นมาเหล่านี้แหละประเทศไทยเราแม้กระทั่งสานาสุขหรือเดือนตา่างมันพัฒนาได้รวดเร็วเพียงแต่ต้องมีดิเรกชมีทิศทางว่าเราจะทาอะไรที่ไหนอย่างไร มันก็จะไปในทิศ ท, ทางเดียวกันพัฒนาทั้งหลายเนี่ยแม้กระทั่งโรงพยาบาลบา ง, งรายสร้างตึกขึ้นมาเนี่ยอุปกรณ์การแพทย์ด้วยอะไรด้วยมาจากไหนทุนทางสังคมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจะมาสรุปนะให้รายละเอียดนิดนึนงอย่างเช่นว่ามีความสุขจากการให้นะว่าจิตอาส า, าทำให้เรามีความสุขจากการให้เขาทําวิจัยไว้แล้วมหาวิทยาลัย British คลัมเบียที่แคนาดามีเงินเอาเงินให้คุณเนี่ยนะยี่สิบเหรียญ ระหว่างเอาไปกินเองกับเอาไปซื้อของให้คนอื่นอันไหนให้ความสุขและให้ตอบมาเพราะว่าคนส่วนใหญ่ทั่วโลกบอกว่ายี่สิบเหรียญเนี่ยยี่สดอลลาร์เนี่ยไปซื้อกินเองมีความสุขสู้ซื้อของให้คนอื่นไม่ได้นีแล้วถ้าหากว่าเอาซื้อของอีกเขาทดลองเอาเงิน เ, เงินให้คุซื้อของเงินแจกเงินให้คุณแต่คุณต้องซื้อของอซื้อของเนี่ยเป็นของขวัญกล่องบอก บอกว่าให้คนบริจาค ก, กันแล้วกันว่าซื้อของเนี่ยในของเนี่ยมีขนมมีช็อกโกแลตซื้อเอาไปกินเองกับซื้อเอาไปแจกเด็กที่ไม่สบายอยู่โรงพยาบาลคนเลือกอันไหนท่านคนไหนซื้อกลองขนมไปกินเองตอบว่ามีความสุขน้อยกว่ากลุ่มที่ซื้อของเอาไปแจกเด็กป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลการที่คิดช่วยคนอื่นเนี่ยงานวิจัยบอกว่า มันเป็นสร้างโมโพ s ิทีฟ e อ m มชั่นให้ความรู้สึกที่เป็นสุขเนี่ยเขาทำทั้งวิจัยในทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นเขาจะบอกว่า people were happier when they spend the money on others คนมีความสุขมากกว่าเมื่อจ่ายเงินเพื่อคนอื่นถ้าท่านได้โบนัสมาเนี่ยเป็นเงินก้อนพิเศษมาเขาตามวิจัยคนที่เอาเงินนั้นไปซื้อไปกินไปเที่ยวเนี่ยมีความสุขน้อยกว่า คนที่เอาไปสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์เพื่อนเพราะอะไรเพราะมันมีโซเชียลคอนเนคชั่นมันมีความสัมพันธ์กับคนอื่นเพราะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นมันรู้สึกตัวเองมีค่ามันให้ความสุขที่ยั่งยืนอันนี้จินอาสาจึงให้ความสุขที่ยั่งยืนทำไมคนจึงมาช่วยหมูป่าสิบสามตัวท่านมากันทั่วโลกอ่ะแล้วเอาใจช่วยกันทั่วโลกนะเขาดูทีวีเนี่ยเยอะมากเลยนะ เหมือนกับถ้าเขามาได้เนี่ยเขาอยากมากันนะอยากจะมาช่วยเด็กตอนที่เด็กหายก็นึกถึงละแต่พอที่หลังจาก๙วันพบ ว, ว่าเด็กมันอยู่ได้เพราะนั่งกับมาฐานนี่ BBC ไปทำํำทำในภาคสเก็ตแบบเด็กนั่งกับมาฐานเลยอยู่ในเว็บไซต์ BBC คนทั่วโลกดู BBC แล้วก็อยากจะเหม่ยดูเด็กเหล่านี้นะ๙วันเนี่ยเขาติดอยู่ในท่าไม่ได้กินเลยเนี่ยอยากจะช่วยเด็กเหลือเกินแล้วเสร็จแล้วพวกที่เชี่ยวชาญในการนำน้ําอยู่ไม่ได้ต้องอาสา คนเหล่านี้มีสตังก์ก็ซื้อตัวเขาไม่ได้แต่เขามาให้เนี่ยเพราะมาด้วยความเต็มใจความกรุณาปราณีมันหลังมาเองพอมาเองแล้วเขาก็มาช่วยช่วยด้วยความรู้สึกว่าอยากทำเป็นประโยชน์สุขของเด็กสิบสามคนทั้งทั้งโคช้ชด้วยแล้วทำยังไงจะเอาเด็กออกมาให้ได้ท่านลองคิดดูสิว่าเนี่ยคนที่พบคนนี้สองคนนะชาวอังกฤษที่โผล่ขึ้นมาเจอเด็กเนี่ย ชื่อจอห์นวอ r ์เรนเทนกับริกส s ตน n t o เนี่ยือไทยไม่รู้หรอกว่าเขาชื่ออะไรนะไปรู้จาก BBC, BBC BBC ไปถามต้นสังกัดที่ส่งมาเขาส่งมาสามคนแล้วสองคนที่ดำน้ำไปเจออีกคนหนึ่งคุมอยู่ข้างนอกสมาคมในการดำน้ำยุโรปเขาส่งมาเขาไม่ให้ชื่อเพราะเขาทำโดยไม่หวังผลตอบแทนจนบัด น, นี้ท่านยังไม่รู้เลยด้วยวร์รบรีรบรุดสคนเนี่ยชื่ออะไรเพราะเขาไม่เอ่ยไทยเนี่ยไปเอามาจาก BBC BBC ก็ไปเอามาจะต้องส ก, กัดซึ่งเขาไม่ให้ชื่อกันเขาจะปกปิดเพราะคนเหล่านี้ทําด้วยความสุขใจในการให้นะกลับไปแล้วเขาก็ไม่เขาถือว่าเขาไม่ใช่ฮีโร่คนเดียวต้องเป็นฮีโร่ต้องเพียพันพคนทั้งหมดเลยนะ่ยเพราะฉะนั้นรายการหมูป่าสิบสามคนเนี่ยถือว่าเป็นวอรนเทียจิตอาสาระดับโลกประเทศไทยเนี่ยเป็นเวทีของการสร้างจิตอาสาระดับโลกขยายจากประเทศ ไทยไปแล้วแล้วมาแสดงให้เราเห็นโดยที่คนเหล่านั้นกลับประเทศไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นไทยเลยน ะ, ะยกตัวอย่างคนหนึ่งเนี่ยชื่ออีวานคาราซิกเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์บ b c บอกว่าตอนที่เอาเด็กดำน้ำมาเนี่ยนะแล้วมันอยู่ในความมืดนะดำน้ำมาส0ลา300อเมตรเนี่ยนโผล่ขึ้นมาคนแรกเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเด็กตายหรือเปล่าเพราะมันนิ่งเลยนะใจเขาไม่ดีเลย แต่พอเขาสังเกตว่าเด็กมันกระดุกกระดิกได้และหายใจได้ felt very good รู้สึกดีมากเขาใจช่วยเด็กเขาอยากให้เด็กประโยชน์สุขของเด็กเป็นที่ตั้งแล้วเขามีความสุขมากทั้งทั้งที่เขาเนี่ยไปอยู่ในในใ น, ในจุดที่สองนะจุดแรกที่ดำน้ำสามรอเมตรเนี่ยเป็นนักดำน้ำมันเป็นสี่คนซึ่งเราไม่ต้องรู้ชื่อเขาเลยอันตรายที่สุดไม่โผล่เลยเพอโผล่ขึ้นมาคุณอีวานนี่แหละ คอยดูเด็กตายหรือเปล่าโอ้พอเด็กกระดุกกระดิกหายใจได้มีความสุขที่สุดนี่คือความสุขที่เกิดจากจิตอาสากลุ่มท่านได้แกเรนามิตรนะนะทำทำจิตอาสาได้แกเรนามิตพุทธเจ้าตรัสว่าปียันจากออนะปานำหิเมื่อมีข้าวน้าบริบูรณ์เรานึกถึงคนเป็นที่รักเราอยากเบือแบ่งปันนี่คือจิตอาสาเราไม่กินคนเดียวหรอกเนกาสีและปฏิสุขหัง กินคนเดียวไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยอยากแบ่งปันอยากเอื้อเฟื้อแล้วท่านจะมีความสุขที่มีกลุ่มไกยนามิตรผู้ให้ย่อมเป็นที่รักาททมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักท่านก็ได้เพื่อนถ้าท่านอยู่คนเดียวต่อให้มีเงินล้นฟ้าท่านก็ทุกข์แต่ออกมาแบ่งปันมาทําจิตอาสาท่านเป็นที่รักถ้าทางมิตรานิคันติผู้ให้ย่อมผูกใจมิตรไว้ได้ ตาขายนิรภัยท่านอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยเดินอยู่ตรงนี้ถ้ามันมีตาข่ายรองรับตกมาไม่ตายเหมือนกับเวลาน้ําท่วมมอจารอน่ยน้ําท่วมใหญ่ 2,554 นะสมาชิกที่การบดีสร้างมาใหม่สดๆแล้อล้นน้าท่วมถึงคอน่ยจระเข้มาสองตัวนะนี่โบดกลางน้ําอยู่กลางน้ําเลยท่านแต่นี่อยู่ในกลางน้ําแต่สิ่งที่นี่ลงลงอาหาร แต่สิ่งที่เราทําก็คืออาสาเป็นศูนย์ฟื้นฟูผู้ช่วยประสบภัยน้ําท่วมมูลนิธิภัยชัตนาพัฒนาไปอยู่กับเราใช้พัฒนานะอาตมาอาสาเอาอาคารหลังเนี่ยขนาดน้ําท่วมนะรับคนห้าร้อยคนมาอยู่กับเรานี่คนห้าร้อยคนมาจากอายุธยาตัวเมืองอาตมาถามว่าน้ําท่วมเราจะหนีไหมบอกหนีมาแล้วไม่ไปต่อแนละ้วถ้าพระอยู่ก็จะอยู่ อาตมาก็บอกว่าอย่างนี้นะโยมอยู่นี่แหละห0าคนเนี่ยตอนที่โยมไม่น้ําท่วมเนี่ยโยมใส่บาทพระตอนนี้น้ําท่วมแล้วพระจะใส่บาทโยมก็เลยเลี้ยงดูเขานี่แล้วอาตมามีหน้าที่ไปใช้ปิยะวาจาไปบอกสื่อทั้งหลายให้ส่งของมาช่วยนะออกทีวีแล้วอาสาหาพระนะอยู่กับญาติโยมเนี่ยสองเดือนพระไปค้างอยู่ที่นั่นแหละนะแล้วก็ทำอาหารแจกนะ อย่างนี้สองเดือนเนี่ยคน5้าอคนเราแจกแล้วบ้านรอบๆ ท, ที่ไม่ทิ้งบ้านเลยเราเป็นหัวบ้านเราทำอาหารกล่องแจกอีกวันละห้าร้อยสองเดือนมหาวิลัลไม่ต้องใช้สตยตังจากจิตอาสายาดยมบริจาคมาแล้วเราก็ดูแลจนกระทั่งพ อ, พอน้ำลดเนี่ยเหลือคนแก่อยู่1ิบกว่าคนก็ถามว่าอย่าว่าแต่อย่าว่ า, า, า, ว า, าสิบกว่าคนก็ถามว่าทำไมไม่กลับละ่ะ ไม่อยากกลับห่วมคนแก่ด้วยกันคิดถึงเพื่อนอมีเพื่อนคุย อ, อยู่บ้านนะไม่ได้คุยกับใครเลยพอมาอยู่วัดนี่ได้สวดมนต์ทุกวันเลยพระนำทำวัดชา้าทำวัดเย็นชอบเราบอกโยมบวชก็ไม่ไหวแล้วแก่แล้วกลับเพิ่กลับก็ให้กลับแล้วมีมุสลิม17คนมาอยู่กับเราสองเดือนตอนแรกไม่บอกว่าเป็นมุสลิมตอนหลัง พอเขาไม่สวดมนต์ทำว่าเชา้าสามทั่เย็นก็เขาก็เลยต้องมาบอกกันเราว่าเป็นมุสลิมและเขาก็อยู่กับเราอย่างมีความสุขนี่คือจิตอาสาท่านดูแล ก, กันทุนทางสังคมผลรวมของสิ่งดีงามต่างๆที่มีในสังคมเนี่ยมันสะสมต่อ ย, ยอดมารวมถึงวัฒ น, นธรรมด้วยนะเป็นการรวมตัวเพื่อสร้างประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยทให้เกิดวัฒ น, นธรรมที่ดีงามการพัฒนาที่ยั่งยืน เ, นเป็นโซเชียลแคปิตอล ซึ่งสร้างโดยอาสาสมัครมันเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเป็นเซฟตี้เน็ตด้วยเพราะฉะนั้นเ ว, เวลาเราเดือดร้อนเราก็มาแก้ปัญหาในน้ำท่วมไฟไหม้ด้วยจิตอาสาเวลาเราจะพัฒนาบ้านเมืองเราก็สร้างถนนห้นทางสร้างอะไรก็ตามอาชีพด้วยจิตอาสาจึงเป็นทุนสังคม ทุนทางสังคมที่เราต่อยอดกันมาจนปัจจุบันฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าทุนทางสังคมเนี่ยพาให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติอาตมาชอบคำของอลุงตาแพร่ ย, ยอดหมายท่านบอกว่าเราไปล้อมรั้วบ้านเนี่ยนะกำแพงสูงๆอยู่ในกรุงเทพเนี่ยบางทีมันก็ป้องกันโจรไม่ได้โจรเอาปิกอัพมาขนของเพื่อนบ้านยังช่วยยกให้อีกนะ พราไม่รู้จักกันนะเน่ยเสนับสนุนนี่เอานึกว่าพวก น, นึกว่าเป็นเจ้าของบ้านแต่ถ้าเราล้อมรู้วบ้านด้วยไมยตรีด้วยความรักด้วยจิตอาสาเราเราทำกิจกรรมร่วมกันนะเพื่อนบ้านเนี่ยมีของแจกกันใช่ไหมจักแจกกันเนี่ยรู้จักกันหมดหัวบ้า น, านท้ายบ้านเนี่ยโจรมาก็รู้ช่วยกันเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญหาอาญากรรมด้วยเกิดความมั่นคง Security ขึ้นม า, าในสังคมที่มีจิตอาสาเนี่ยนะเวลาประชุมเาขาเรียกว่า หมู่บ้านเนี่ยชุมชนเขาเรียกกรนวการหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านใดท่านไปร่วมประชุมกับเขาแล้วสร้างระบบ security มันก็จะเท่ากับดูแลความปลอดภัยในหมู่บ้านไม่เดี๋ยวนี้คอนโดสูงๆก็ต้องทําท่านก็ดูแลกันใครเข้าออกเป็นคนแปลกหน้าแต่ถ้าท่านไม่มีจิตอาสามันอยู่ไม่ได้ระบบ security เนี่ยระบบของการช่วยเหลือดูแลคนแก่คนเฒ่าเด็กต่างๆเนี่ยมันแม้จะลาจรใช่ไหมก็เช่นเดียวกันจิตอาสาเอ่า ในในส่วนของมหาวิเลย์สองเนี่ยเราไปจิตอาสาโนดนชาวเขาชาวดอยเนี่ยอาตมาขึ้นดอยไปโน่ น, น่งเจียมตองอะ่ะนั่งรถไปนะทาไมผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ไปกันเพราะมันไม่มีถนนไปได้แต่น่านแรงอาตมาส่งพระบัณฑิตอาสาไปไปอยู่กับชาวบ้านไปสอนหนังสือสอนธรรมะพระกเหรี่ยงมูเซอร์อะไรต่างเนี่ยโอ้เขาดีใจเหลือเกินแล้วอาตมาก็ไปเยี่ยมทางเนี่ยน่าร้อนนะท่านนะนั่งรถโฟวีลไปเนี่ย 100กิโลเมตรเนี่ยใช้เวลาเจ็ดชั่วโมงเพราะทางมันเป็นอย่างนี้ท่านไปตามลำธารหน้าแ้งไม่มีทางหน้าฝนไม่มีทาง น, นี่ไปจริงๆนะไม่ใช่เอารูปของลูกน้องมานะเเพราะฉะนั้นก็แล้วพอเห็นส่งพระไปเป็นจิตอาสาอยู่บนดอยท่านลำบากก็ให้ท่านมีที่ประชุมอาตมาก็ไปสร้างอาคารขึ้นมาหนึ่งหลังนะอาคารใหญ่ไนดะ้นะเนี่ยหนึ่งหลังเนี่ยใช้เวลาสามปี จุคนได้เกือบร้อยคนเนี่ยนะมีที่พักมีอะไรต่างอยู่บนดอยนะที่วัดห้วยบงที่อำเภอกาลยานนิวัฒนาเป็นศูนย์ประสานงานพระบรัิฑิตอาสาเพื่อให้บดินอาสาบนดอยปีละสี่สิบรูปเนี่ยลงมาประชุมกันวางแผงตั้งชื่ออาคารนอะอาคารพระพรหมบดตพระธรรมเนี่ยได้ปัจจัยจากญาติโยมไปทอดกระถินทอดผ้าป่าไม่เอาเงินราชการเลย สามปีสร้างเสร็จเป็นอาคารหลังนี้นี่คนที่ขึ้นไปช่วยไปดูแลนี่ก็เป็นจิตอาสาเช่นเดียวกันการพัฒนาบนดอยเป็นไปได้ก็เพราะจิตอาสาบทพัฒนาในที่ราบเป็นไปได้ก็เพราะจิตอาสาแต่เวลาที่เราไปพัฒนาต้องถือหลักอย่างนี้นะท่านอย่าเอาเงินไปให้ขเขาตรงตรงทางที่ดีต้องไปสอนอาชีพสอนวิธีการอยู่อย่างถูกสุขลักษณะให้เขาเพราะถ้าท่านให้ปลาแก่คนจนเขาจะมีปลากินเพียงวันเดียว แต่ถ้าท่านสอนวิธีจับปลาให้เขาเขาจะมีปลากินตลอดชีวิตอันนี้เป็นหลักของอการจิตอาสาที่ท่านไปช่วยแล้วก็พระพุทธเจ้าตรัสว่าตมเหหิกิจจังอาตปังอักขาตาโรตถาคตาท่านทั้งหลายต้องลงมือทำเองพระสถาคตเจ้าเป็นผู้ชี้ทางชี้ว่าจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วปฏิบัติชั้นใดการที่เราไปให้คาแนะนาในการรักษาสุขภาพไม่ใช่ไปอุ้มเขา ให้เขาอยู alo, ่อย่างสุขสุขสุขขรรษณะเท่ากับว่าเราช่วยให้เขาช่วยตัวเองเราเอาปลาไปแจกเขาก็จะมีปลากินเพียงวันเดียวแต่สอนวิธีจับปลาให้เขาก็จะมีปลากินตลอดชีวิตแต่มาส่งพระบัณฑิตอาสาขึ้นไปหนึ่งรูปเนี่ยจะพาชาวบ้านพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาชนบทบนดอยเนี่ยมันพัฒนาได้รวดเร็วเพราะให้ปัญญาแก่เขาให้ภาวะผู้นําสังคมไทยก็ต้องเป็นอย่างนั้นใครมีปัญญาให้ปัญญา ก็จะทำให้จิตอาสาเนี่ยมีผลที่กว้างขวางแล้วก็จะเป็นการสร้างคนดีสีสังคมสีสานรณสุขอย่างยั่งยืนต่อไปเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนก็ขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ขออำนาจแห่งพลภาสีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายกระทํามาด้วยจิตอาสานั้นขอจงมารวมกันเป็นตบกัก เป็นเดชาเป็นพลวะปัจจัยอํานวยอุปกรณ์ให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนาชีพส่วนตัวครอบครัวการงานสมบูรณ์ด้วยลาบยศสุขสังเสริญทุกทิภย์าลาตรีการมีอายุวันณัสุขะภรักปฏิพานธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบได้ทําก็ขอให้ความปรารถนานั้นจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จสัมโนรตมุ่งมาปรารถนาทุกประการ ตลอดกาละนานเทิน